การมสุขของมนุษย์ของสวรรค์และความสุขที่ดีกว่านั้นเพื่อเสริมความเข้าใจจะนำคำชี้แจงทางธรรมะที่ควรทราบเกี่ยวกับความสุขเหล่านี้มาแสดงไว้ตามสมควรภิกษุทั้งหลายการมาคุณมีห้าอย่างดังนี้คือรูปทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยตา เสียงทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยหูกลิ่นทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยจมูกรสทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยลิ้นผดทัพพะทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยกายซึ่งน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจชวนให้รักชักให้อยากเย้าวยวนชวนติดใจเหล่านี้แหลคือการมคุณห้าอาศัยการมคุณห้าประการเหล่านี้มีความสุข ความชำใจคือสมนัตใดเกิดขึ้นนี้คือส่วนดีคืออสาทะความหวานชื่นของกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามสุขคำว่ากามโดยหัวข้อได้แก่กามสองอย่างคือวัตถุ ก, กามได้แก่วัตถุอันน่าใครสิ่งที่ตนอยากได้หนึ่ง กิเลสกรรมกิเลส ท, ที่ทำให้ใกล้ความอยากที่เป็นตัวกิเลสหนึ่งวัตถุกรรมเป็นชไหนรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพ่พะอันเป็นที่ชื่นชอบใจเครื่องลาดเครื่องห่มทาสีทาสแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลานาที่ดินเงินทองบ้านนิคมราชธานีรัฐประเทศ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 ที่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นทิพย์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่บรรดาลเองที่ผู้อื่นบรรดาลให้ที่ครอบครองที่ไม่ได้ครอบครองที่หวงแหนที่ไม่ได้หวงแหนธรรมะที่เป็นกามาวจรแม้ทั้งหมดธรรมะที่เป็นรูปาวจรแม้ทั้งหมดธรรมะที่เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งหมด ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเป็นอารมณ์ของตันหาชื่อว่ากามโดยอัตถะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความอยากโดยอัตถะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเหล่านี้เรียกว่าวัตถุ ก, กามกิเลสกามเป็นชนไหนความพอใจก็เป็นกาม ราคะก็เป็นกามความชอบใจติดใกล้ก็เป็นกามความยำรีก็เป็นกา ม, า ม, ร, กกามราคะก็เป็นกามความคุ้นคิดติดใกล้ก็เป็นกามกามฉันทะกามราคะกามะนันทิกามตัณหากามสเสน่หาความเร่าร้อนกามความหลงไหลากามความหมกมุ่นกาม การท่วมใจการผูกรัดใจความถือมั่นในกามนิวรคือกามฉันกามในข้อความว่านิเนกามเราเห็นรากเงาของเจ้าแล้วว่าเจ้าเกิดขึ้นมาจากความดั่ริเราจากไม่ดำ่ริถึงเจ้าละเมื่อทำอย่างนี้เจ้าก็จากไม่มีเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกาม ภิกษุทั้งหลายเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจัจสามประการจึงมีการตั้งคันเมื่อใดมาดาบิดาร่วมกันมานดาคราวฤดูทั้งศว์ที่จะเกิดก็ปรากฏเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจัจสามประการอย่างนี้จึงมีการตั้งคันมานดาอุ้มท้องพระคับพระครองคันนั้นตลอดเวลาเก้าเดือนบ้าง10บเดือนบ้าง ด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างมากทั้งเป็นภาวะอันหนักรันล่วงเวลาเก้าเดือนหรือสิบเดือนแล้วมารดาก็คลอดทารกในครรภ์ด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอันมากอย่างเป็นภาระอันหนักแล้วเลี้ยงทารกที่เกิดนั้นด้วยโลหิตของตนภิกษุทั้งหลายในธรรมเนียมของอริยชนถือน้านมของมารดานีิว่าคือโลหิต เด็กอ่อนไร้เดียงสานอนหงายแ บ, บะเบายอมเล่นแม้แต่อุจจาระประสัสสาวะของตนเองเธอจะเห็นประการใดความสุขนี้เป็นความสุขของเด็กอ่อนอย่างเต็มที่สิ้นเชิงใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะสมัยต่อมาเด็กนั้นแหละอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้นยอมเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายสาหรับเด็กคือเล่นไถเน้น เล่นตีไม้หึงเล่นหกขเมนเล่นกังหันน้อ ย, อยเล่นตวงทรายเล่นรถน้อ ย, อยเล่นธนูน้อ ย, อยเธอจะเห็นประการใดความสุขนี้ดีกว่าและประนีดกว่าความสุขอย่างก่อนใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้น มีกามคุณทั้งห้าพร่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมบำเรอตนด้วยรูปทั้งหลายด้วยเสียงกลิ่นรสผดัพ่าทั้งหลายซึ่งน่าปรารถนาน่าใกล้น่าชอบใจชวนให้รักชักให้อยากเยาวยวนชวนติดใจเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าและประนีดกว่าความสุขอย่างก่อนๆใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะ บุคคลผู้สูงเลิศประเสริฐสุดในโลกมนุษย์ทางฝ่ายขฤือหัตก็คือพระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดเพียบพร้อมด้วยโภพคสมบัติทุกประการและตามกติพระพุทธศาสนาถือว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสูงเยี่ยมด้วยโดยในยะนี้พระเจ้าจากักรพรรดิจึงนับว่าเป็นผู้มีความสุขร่างร้อมมากที่สุดเหนือความมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้า ทรงยกเอาความสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบกับความสุขประเภทและระดับอื่นๆให้เห็นลำดับขั้นความปราณีตของความสุขทั้งหลายพระเจ้าจากักรพรรดิตามอุดมคติทรงมีรัตนนาเจ็แล้วฤทธิ์สี่ประการรัตนาเจ็เจคือทรงมีจากแก้วอันแสดงถึงพระราชอำนาจที่เกิดขึ้นโดยธรรม และประกอบด้วยความชอบธรรมทำให้พระองค์แผ่ขยายอาณาจักรแห่งความร่วมเย็นออกไปได้ทั่วพื้นแผ่นดินจนขอบมหาสมุทรทั้งสี่ทิศด้วยธรรมวิธีและด้ดยความชื่นชมยินดีของผู้ยอมรับพระราชอำนาจนั้นทรงมีช้างแก้วและหมาแก้วซึ่งสามารถนำพระองค์เสด็จตรวจดูพระราชอาณาเขตทั่วพื้นแผ่นดินได้หมดสิน้นภายในเวลารวดเร็ว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 กายนางก็อุ่นยามร้อนกายนางก็เย็นกลิ่นหอมดังกลิ่นจันกลิ่นปากก็หอมดังกลิ่นบัวอีกทั้งพูดเพราะรู้จักปรนิบัติถูกพระไทยทุกประการทรงมีขุนคลังแก้วผู้มีตาทิพมองเห็นหลังทรัพย์สินทั่วไปสามารถหาเงินทองมาให้พระองค์ใช้ได้ตามพระไทยปรารถนาและทรงมีปรินายกแก้ว ผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการปกครองไม่แต่เพียงถวายคำแนะนำในข้อราชการต่างๆได้ถูกต้องเท่านั้นยังสามารถบัญชางานสั่งราชการแทนพระองค์ได้ทุกอย่างทุกประการอีกด้วยส่วนฤทธิ์หรือสำริดที่คุณสี่ประการคือพระเจ้าจากักรพรรดิทรงมีพระรูปโฉมงามสงา่าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นทรงมีพระชนมายุยืนยาวยิ่งกว่ามนุษย์อื่น ทรงมีสุขภาพแข็งแรงมีพระโรคน้อยและประการสุดท้ายทรงเป็นที่รักของประชาราชนซึ่งจงรักพักดีต่อพระองค์ดังลูกรักพ่อและพระองค์ก็รักประชาราชนดังพ่อรักลูกเมื่อยามเสด็จไปณนะที่ไหนไหนประชาราชนจะเฝ้ารับเสด็จและอยากเห็นพระองค์นานๆไม่จืดตาและพระองค์ก็ทรงปรารถนาจะพบปะกับประช า, าชนนานๆเช่นเดียวกัน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 เหมือนนำเอาก้อนหินเล็กๆก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัยถึงแม้ทิพยสุขในสวงสวรรค์จะเป็นกา ร, รมาสุขที่ล้ำเลิศยอดเยี่ยมกว่ากามาสุขของมนุษย์อย่างมากมายแต่ก็ยังมีความสุขที่ประนีตล้าลึกยิ่งกว่าทิพยสุขนั้นขึ้นไปอีกและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกรรมไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพจากภายนอก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 แม้แต่ทิพยาสุขของเทวดาท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าแล้วพึงเข้าใจคำว่ากามกามคุณกามสุขในความหมายที่กว้างของภาษาบาลีไม่ใช่แคบอย่างในภาษาไทยในเรื่องนี้พระพุทธเจ้า ทรงเล่ากรณีของพระองค์เองเป็นตัวอย่างดังบาลีว่าดูก่อนมาคันธียะเรานี่แหละครั้งก่อนไม่อยังครองเรือนอยู่มีกรรมคุณทั้งห้ารพรางพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลภพะทั้งหลายที่น่าปรารถนาหน้าใครหน้าชอบใจชวนให้รักชักให้อยากเย้าวยวนชวนติดใจเรามีประสาทสามหลังประสาทหนึ่ง สำหรับฤดูฝนประสาทตหนึ่งสำหรับฤดูหนาวประสาทตหนึ่งสำหรับฤดูร้อนเหล่านั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีทั้งหลายที่ล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนเลยอยู่ในประสาทประจรําฤดูฝนไม่ต้องลงจากประสาทเลยตลอดเวลาสี่เดือนสมัยต่อมาเหล่านั้นได้ลวงรู้ถึงความเกิดขึ้นความคงอยู่ไม่ได้ คุณและโทษของกามทั้งหลายกับทั้งทางออกหรือภาวะรอดพ้นของมันตามความเป็นจริงจึงละกามตัณหาบรรเทาความร่านรนเพราะ ก, กามเสียได้หมดความกระหายอยากเป็นอยู่โดยมีจิตสงบระงับภายในเล่านั้นมองเห็นสัตว์ทั้งหลายอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามตัณหาก่อกิน ถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกามเศรษสวยกามทั้งหลายอยู่ก็มิได้นึกไยทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเราเรื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมทั้งหลายจึงไม่ไยทยานถึงความสุขที่ซ้ำกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่ซ้ำกว่านั้น ดูกรมาคันธียะเปรียบเหมือนว่าคฤริห บ, บดีหรือบุตรคฤริห บ, บดีผู้มั่งคั่งร่ำรวยซั์มีโภคะมากมีการมาคุณทั้งห้าร่างร้องบริบูรณ์ได้รับการบำรุงบำรเรเขาประพฤติสุจริตเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงเทพบุตรนั้นแวดล้อมด้วยหมู่นางอักษรมีกามาคุณห้าอันเป็นทิพร่างร้องบริบูรณ์รนเปอยอยู่ ในสวนสวรรค์นันทนวันเทพบุตรนั้นมองเห็นค้ารือาบดีหรือบุตรค้ารือาบดีที่มีกามคุณห้าร่างพร้อมบริบูรณ์บำรุงบำรเรออยู่เธอจะเห็นประการใดเทพบุตรนั้นจะนึกอิจฉาต่อครืหาบดีหรือบุตรข้าเรือาบดีหรือฝ่ายทยานต่อกรรมคุณทั้งห้าอย่างของมนุษย์หรือจะประวัติใจถึงกรรมทั้งหลายอย่างมนุษย์หรือหาไม่ทูลตอบว่า ไม่เลยท่านพระโคโดมผู้เจริญเพราะเหตุใดก็เพราะกามทั้งหลายที่เป็นทิพดีเยี่ยมกว่าพระนิตกว่ากามทั้งหลายอย่างของมนุษย์ดูก่อนมคันธิยะฉันนั้นเหมือนกันเหล่านั้นไม่นึกใฝ่ทายานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นก็เพราะเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอากุศลธรรม อีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพยสุขจึงไม่ไฝ่ทยานต่อความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้น